บัดนี้ข้าพเจ้าใคร่จะเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสผ่านเข้าไปในภูมิสูงโดยประการที่สองคือโดยการได้รับคำเชิญจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงสักเล็กน้อยคราวหนึ่งเราสามคนกาลังนั่งอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเบื้องหน้าเราเป็นช่องหน้าต่างซึ่งเราจะอมองออกไปเห็นทัศนียภาพอันสวยงามภายนอกได้อย่างถนัดชัดเจน เอ็ดวินกับข้าพเจ้ากําลังสนทนากันอยู่เรีเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนรูทกําลังงั่นอยู่กับการบรเลงเพลงจากเปีย โ, โนอันโปรดปลานของเธอเสียงดนตรีจากเปียโ น, โนดังกังวานเสียงหวังเวงเมื่อบวกกับทัศนียภาพอันประกอบไปได้วยทิวไม้อันเขียวชวอุ่มเบื้องหน้าเราทําให้เกิดความสุขเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกจริงๆ แม้จะเป็นเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วก็ตามแต่ก็ปรากฏว่ารูทยังคงไม่หายจากความตื่นเต้นยินดีในเครื่องเปียโ น, โนของเธอเท่าใดนักเธอกล่าวว่าเธอหลงไหลในเปียโนชิปของเธออย่างสุดหัวใจจริงๆแม้ว่าเธอจะได้บรรเลงเพลงจากเปียโนชิปนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ทุกครั้ง เธอก็ต้องได้รับความตื่นเต้นใจและสุขใจเหมือนเดิมในเมื่อเธอกดนิ้วลงไปบนคีย์และได้ยินเสียงอันหวานวงเวงดังสั่นพลิ้วออกมามันเป็นความไพเราะเยือกเย็นชนิดที่เธอไม่ได้นึกฝันมาก่อนเลยว่าเสียงเปียโนทิปจะมีอำนาจสะกดจิตใจและสั่นสะเทือนอารมณ์ของเธอได้ถึงขนาดนี้ความปีติปลาโมดของเธออีกประการหนึ่งก็คือ เธอรู้สึกว่าเธอมีความสามารถในการมาเรียงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกดูเหมือนจะสักร้อยเท่าของความสามารถของเธอเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทั้งนี้เป็นเพราะความจริงที่พระพเจ้าเดิมเคยกล่าวมาแล้วว่าในโลกทิพย์นี้กล้ามเนื้อทุกส่วนของเราอยู่ในบังคับบัญชาของจิตใจโดยสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเราต้องการให้นิ้วมือของเราเคลื่อนไหวไปด้วยอาการอย่างไร หรือด้วยความเร็วเท่าใดก็ย่อมสามารถทำได้ทันทีรูดกล่าวว่าน่าอัศจรรย์เหลือเกินที่นิ้วของเธอเลื่อนพริ้วไปบนคีย์เปียโ น, โนได้อย่างรวดเร็วทันตามคำสักของจิตใจจนเจ้าตัวเองก็เกือบจะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ทิ้งเพียงนั้นนอกจากนั้นความสามารถของมันสมองในด้านความจาก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากมายจนเธอสามารถ ขนาดดูเหมือนว่าจะหลับตามองเห็นท่วงทํานองของเพลงนั้นๆได้อย่างทะลุผูกโปรงตั้งแต่ก่อนที่จะบรรเลงเสอีกแต่ในขณะนั้นเสียงเพลงอันเชื่อเจ้าของเธอก็หยุดลงโดยฉับพลันและเราก็เห็นเธอวิ่งตรงไปที่ประตูเราทั้งสองลุกขึ้นมองตามออกไปดูด้วยความประหลาดใจและก็ได้เห็นบุคคลสองท่านเดินผ่านสนามหญ้าเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจำได้ดีว่าบุคคลหนึ่งในจำนวนนั้นคือท่านชาวอียิปต์ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยพบกับท่านมาก่อนแล้วส่วนอีกท่านหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังว่าเป็นชาวคันดีนเป็นผู้มีอารมณ์สนุกสนานรื่นเริงอย่างยิ่งเราได้ออกไปต้อนรับแครผู้มีเกียรติทั้งสองและเชิญเข้ามาในบ้านและหลังจากที่ได้สนทนากันครู่หนึ่ง ท่านชาวคันดีนก็แจ้งความประสงค์ที่มาหาข้าพเจ้าว่าท่านได้รับคำสั่งจากท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปให้มาและเชิญเราไปเยี่ยมเยียนท่านเราทั้งสามนิ่งอึ้งกันไปครู่หนึ่งในการที่ได้รับโชคและเกียรติอันไว้ในนึกฝันมาก่อนท่านชาวคันดีนแสดงอาการขบขันในท่าทางของพวกเราจึงเอ่ยปากบอกว่า ไม่ควรที่พวกเราจะต้องวิตกกังวลหรืออ่ดอัดอย่างไรในเรื่องนี้ปัญหาที่ว่าเหตุใดเราจะได้รับเกียรติดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่จะทราบได้เองเมื่อไปถึงแล้วส่วนปัญหาที่ว่าเราจะไปถึงภูมิสูงนั้นได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องหนักใจเพราะการที่ท่านทั้งสองมาณที่บ้านของข้าพเจ้าก็เพื่อจะมาพาเราไปนั่นเอง ข้าพเจ้าพยายามจะกล่าวคำขอบคุณในเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับในครั้งนี้แต่ก็รู้สึกว่าพูดไม่ออกเอ็ดวินกับรูธก็ดูจะตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันท่านชาวคานดีนคงจะรู้ใจพวกเราดีจึงหาเรื่องพูดคุยในทำนองอื่นอยากสนุกสนานรื่นเริงตามความเห็นของข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านชาวคานดีนผู้นี้ น่าจะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยร่าเริงกว่าผู้อื่นในโลกทิพนี้ทีเดียวในเรื่องนี้เป็นของแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าชาวโลกมนุษย์โดยมากมักจะชอบกากเกณฑ์ให้ชาวโลกทิพเป็นผู้ยิ้มยากหรือยิ้มไม่เป็นไปเสียทั้งหมดก็พเจ้าขอยืนยันว่าทัศนคติดังกล่าวนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งอันที่จริง ในเมื่อการหัวเราะของเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดแล้วเราก็สามารถจะหัวเราะได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครว่าเลยไม่เคยมีป้ายติดไว้หน้าประตูโลกทิพว่าห้ามหัวเราะนะพวกเราสามารถหัวเราะได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะทำให้เราดูเป็นเด็กๆหรือหมดความสง่าผ่าเผยลงไปเลยจริงอยู่ตามที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราหรือท่านชาวคาวนดีนที่กล่าวมานั้นจะต้องพูดพร้อมกับหัวเราะร่วนเป็นไข่เค็มหรือเหมือนกับเป็นคนบ้าอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าหมายความแต่เพียงว่าเราชาวโลกทิพหัวเราะเป็นและหัวเราะกันไม่น้อยเหมือนกันเมื่อมีเหตุผลสมควรที่จะหัวเราะกันได้ต่อจากนั้นท่านชาวคาลดีนก็บอกว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะออกเดินทางกันได้โดยท่านจะเป็นผู้นำทางและคุ้มครองเราเองในระหว่างทางขณะที่เราเดินผ่านทุ่งหญ้าไปตามสบายข้าพเจ้าได้ถามท่านชาวคันดีนถึงท่านผู้ปกครองภูมิสูงนี้ก็ได้รับความรู้ว่าท่านผู้ที่เรากำลังจะไปหานี้เป็นหัวหน้าใหญ่ผู้ครองภูมิแห่งโลกทิพย์หมดทุกภูมิชาวโลกทิพย์ทุกภูมิรู้จักท่านดี และเรียกท่านว่าท่านหัวหน้าที่รักเสื้อคลุมของท่านมีสีน้าเงินขาวและสีทองซึ่งแสดงถึงปัญญาและความประเนียบของจิตของท่านว่ามีความลึกซึ้งและกว้างขวางอย่างยิ่งการที่เราจะทราบว่าท่านมีปัญญาเพียงใดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่บรรยายให้เห็นไม่ได้เลยคือถึงจะบรรยายให้เห็นได้ก็ย่อมจะไม่มีผู้ใดเข้าใจอยู่นั่นเอง แม้การที่เราเรียกท่านว่าเป็นผู้ปกครองหรือหัวหน้านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านปกครองผู้อื่นแบบเจ้านายปกครองลูกน้องหรือฆ่าทาด ต, ตามความหมายในโลกมนุษย์เพราะว่าในโลกทริปนี้เราอยู่กันด้วยความรักและไมตรีเท่านั้นไม่มีใครจําต้องให้ความกลัวกันเลยท่านผู้ที่เรากำลังจะเดินทางไปหานี้จึงเป็นเสมือนหนึ่งสื่อกลางระหว่างพระบิดา ผู้ซึ่งสร้างสากลจั ก, กรวาลทั้งปวงกับพระบุตรทั้งหลายของพระองค์ฉะนั้นขณะนี้เรากำลังเดินทางผ่านอนาเขตที่อยู่ของเอ็ดวินซึ่งอยู่ชายแดนของภูมิสูงแล้วและกำลังมุ่งหน้าออกจากภูมิขึ้นตนเองเข้าสู่ภูมิสูงที่มีบรรยากาศเจือจางยิ่งขึ้นทุกทีหากไม่ได้มีการคุ้มกันเป็นพิเศษแล้วในไม่ช้าเราจะรู้สึกอึดอัด จนไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้เลยทั้งนี้เพราะว่าสภาวะข้องภูมิต่างกันก็ย่อมมีอัตราความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นต่างกันดังนั้นหากไม่มีผู้คอยช่วยปรับการสั่นสะเทือนภายในกายของเราให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็ไม่มีทางที่เราจะเข้าไปยังภูมิที่มีบรรยากาศเจือจางมากเช่นนั้นได้เลยในที่สุด เราก็หยุดกึกลงโดยอัตโนมัติเพราะรู้ว่าไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้อีกแล้วท่านชาวคันดีนจึงอ้อมมาข้างหลังเราและเอื้อมือมาแตะที่ศีรษะของเราอยู่ครู่หนึ่งการทำเช่นนั้นท่านอธิบายว่าเพื่อปรับคลื่นในตัวเราและทาให้เราเดินทางต่อไปได้ น, นั่นเองจากนั้นเรารู้สึกเย็นสู้ไปทั่วกายและรู้สึกเสมือนว่า ร่างกายของเราเบาจนเกือบจะลอยขึ้นไปฉะนั้นพร้อมกันนั้นก็เกิดมีความอบอุ่นขึ้นได้อย่างประหลาดท่านชาวคาวนดีนได้จับห้รูธยืนอยู่ตรงกลางระหว่างข้าพเจ้าและเอ็ดวินและตัวท่านเองก็ยืนอยู่เบื้องหลังของเธอท่านวางมือซ้ายลงบนบ่าของเอ็ดวินและมือขวาวางบนบ่าของข้าพเจ้าและเนื่องจากท่านสวมเสื้อคลุมใหญ่อยู่ด้วย จึงเป็นเสมือนว่าเราทั้งสามอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเสื้อคลุมนั้นเป็นอย่างดีท่านชาวคารดบินได้บอกแกเราว่าการที่ท่านเอามือกุมศี้ศาเราอยู่ครู่หนึ่งนั้นนอกจากจะเป็นการปรับเคลื่อนตามปกติแล้วยังเป็นการช่วยให้ในตาของเราทนต่อแสงอันเจิดจ้าของภูมิสูงนี้ได้อีกด้วยเพราะว่าแม้ว่าร่างกายของเรา จะได้รับการปรับคลื่นให้เข้ากับช่วงคลื่นของภูมิสูงแล้วก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นเพิ่มเติมในตาของเราก็จะทนต่อแสงที่แรงกล้าขึ้นกว่าเดิมมากไม่ได้การทำเช่นนั้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับการที่ชาวโลกมนุษย์ผู้ใส่แว่นตากันแดดในขณะที่ออกสู่ถ้ำกลางแสงแดดอันแผดกล้าชนั้นครั้นแล้วท่านชาวคาลดีน ก็ได้บอกให้เราทําจิตใจให้สงบและอย่าขัดขืนโดยขอให้คิดว่าเป็นการเดินทางไปหาความสดชื่นและความสุขไม่ใช่ว่าเป็นการทดสอบความทนทานแต่อย่างใดเอาแล้วนะเตรียมตัวได้เสียงท่านกล่าวขึ้นหนึ่งสองสามไปได้แล้วฉับพลันเราก็รู้สึกคล้ายกับลอยขึ้นไปแต่ความรู้สึกเช่นนั้นเป็นไปชั่วขณะเดียว ประมาณไม่เกินหนึ่งวินาทีก็มีแสงสว่างเป็นประกายว่าพุ่งผ่านเราไปและก็หายไปในชั่วพริบตาต่อจากนั้นก็รู้สึกว่าเท้าได้สัมผัสกับพื้นดินแข็งแข็งใหม่และครันแล้วทัศนียภาพอันตรการตาสุดที่จะบรรยายก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของเราเป็นภูมิประเทศที่งามจับตาอย่างล้นเหลือแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่า ความงดงามของทัศนียภาพภูมิรประเทศจะงามตรึงใจถึงขนาดนี้ตรงหน้าเราออกไปเป็นลำน้ำกว้างใหญ่ทอดยาวเหยียดออกไปสุดสายตากระแสน้ำไหลเอื่อยอย่างสงบเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เป็นประกายอย่างน่าดูละลอกพลิ้วน้อยๆของน้ำสะท้อนแสงฉายเงาออกเป็นสายรุ้งสีต่างๆ สลับซับซ้อนและเกี่ยวกระวัดกันไปมาอยู่เหนือผืนน้ำความงามของธรรมชาติเบื้องหน้าทําให้เราผู้มาใหม่ทุกคนเกือบจะลืมหายใจเหมือนถูกมนต์สะกดไปชั่วขณะหนึ่งและเราก็ต้องถอนหายใจและถอนสายตาจากทัศนียภาพเบื้องหน้าด้วยความเสียดายเมื่อท่านชาวคานดีนและท่านชาวอียิปต์ได้เตือนขึ้นว่าเรามีเวลาที่จะอยู่ที่นี่ได้ไม่มากนัก ฉะนั้นจึงต้องรีบไปทําธุระอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการมาของเราเสียก่อนอีกด้านหนึ่งของภูมิประเทศอันงดงามเหมือนภาพฝันนี้เป็นตัวตึกมือมาสูงหลายชั้นมีบันไดกว้างใหญ่มโหลานทอดจากตัวตึกเข้าสู่ภายในรูปลักษณะของตัวตึกเป็นแบบเรียบๆไม่มีเครื่องประดับประดาอย่างไรแต่วัตถุที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวตึกนั้น ช่างมาสจรย์เหลือหลายก็พระเจ้าอยากจะกล่าวว่าตึกทั้งหลังนี้ทำขึ้นด้วยเพชรนินและบุษราคำทั้งแท่งรวมกันขึ้นมานั่นเองขอให้ท่านลองคิดดูเอาเองว่าในโลกมนุษย์นั้นอัญมณีดังกล่าวมาแล้วนี้เราจะหาได้ก็แต่เพียงเม็ดเล็กๆซึ่งเราสามารถจะวางไว้ในระหว่างนิ้วมือได้อย่างสบายแต่บัดนี้ สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือตึกมโหรานซึ่งทําด้วยเพชรนินและบุษรากรรมทั้งแท่งรวมกันส่งแสงเป็นประกายอยู่อย่างบรรเจิดจ้าจริงทีเดียวมันเป็นภาพที่มนุษย์จะไม่คิดฝันเลยว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้และมนุษย์ก็จะไม่มีวันได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยเกี่ยวกับอั ญ, ญมณีที่เป็นวัตถุ ก, ก่อสร้างของตึกนี้ท่านชาวคันดีนบอกว่า ไม่เป็นของประหลาดมหาศจั์แต่อย่างใดเพราะว่าวัตถุดังกล่าวก็เป็นวัตถุประจำภูมินี้เองการที่เราตกตะลึงและเห็นเป็นของประหลาดมหาศจัลเกรอบเพราะว่าเราได้เดินทางผ่านภูมิในระหว่างมาหลายภูมิและได้เข้ามาถึงภูมิอันสูงสุดนี้เลยทีเดียวหากเราเดินทางมาผ่านแต่ละภูมิตามลำดับเราจะเห็นอัญมณีประจำภูมิ ค่อยๆเปลี่ยนจากความทึบไปสู่ความใสขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมาใสาบริสุทธิ์เป็นแก้วผลึกในที่สุดรอบๆ บ, บริเวณตึกมีสวนดอกไม้ล้อมรอบเป็นแนวยาวเหยียดโดยมีแปลงไม้ดอกมีสีสันต่างๆกันจัดไว้เป็นรูปแบบต่างๆกันอย่างประณีตบรรจงทิวทัศน์อันน่ารื่นรมดังกล่าวนี้ ทอดออกไปข้างหน้าเป็นระยะไกลแสนไกลจนสุดสายตาห่างออกไปเราจะแลเห็นอาคารอีกหลายหลังที่ดูเหมือนว่าจะก่อสร้างโดยมรกตรและอเมทิสคือพลอยใสเหมือนแก้วหรือ ก, ก็มีและที่ก่อสร้างด้วยไขมุกก็มีเมื่อท่านชาวคันดีนได้บอกว่าเราต้องรีบไปหาท่านผู้เป็นหัวหน้าของภูมินี้ เราก็จำต้องหยุดยัง้งการชมทัศนียภาพดังกล่าวด้วยความเสียดายเป็นอย่างยิ่งเราเดินขึ้นบันไดเข้าไปในตัวอาคารที่เห็นอยู่เบื้องหน้าและทั้งที่เราคิดว่ากำลังเดินไปบนบันไดหินแต่ความรู้สึกที่เท้าก็ทำให้เรารู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเรากําลังเดินไปบนพรมกำมะหยี่หรือสนามหญ้าฉะนั้น เราไม่มีเวลาพิจารณาดูความสวยงามของภายในตัวอาคารได้มากนักเพราะว่าอำนาจคุ้มกันที่เราได้รับไม่สามารถจะทำให้เราอยู่ได้นานพอและในที่สุดเราก็เข้ามาถึงจุดหมายปลายทางคือห้องของท่านผู้เป็นหัวหน้าของภูมิทั้งปวงเราผู้มาใหม่หยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่งเพราะไม่ทราบว่าควรจะวางตัวอย่างไรดี ในการเข้าพบท่านผู้ยิ่งใหญ่เห็นปานนี้แต่ท่านชาวคันดีนได้ให้กำลังใจแก่เราโดยกล่าวว่าเรื่องนั้นไม่มีความสำคัญอย่างใดเลยในที่นี้ในที่สุดเราก็ได้เห็นท่านหัวหน้านั่งรอเราอยู่ริมหน้าต่างในห้องของท่านพอเห็นเราท่านหัวหน้าก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ตรงมาหาเราจูงมือให้ไปนั่งที่เก้าอี้ข้างๆท่านเอง ท่านขอบคุณท่านชาวคันดีนและท่านชาวอียิปต์ที่นำเรามาหาท่านและบอกให้เราทำตัวเป็นกันเองโดยไม่ต้องเกรงใจจากการได้เห็นรูปร่างลักษณะของท่านโดยใกล้ชิดข้าพเจ้าก็าได้สังเกตว่าท่านหัวหน้ามีลักษณะเป็นคนหนุ่มมากแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายถึงอายุตามการเวลาแต่อย่างใดเพราะว่าความเป็นหนุ่มเป็นลักษณะของรูปร่างภายนอก อันเป็นเครื่องหมายถึงคุณลักษณะภายในจิตใจยอย่างแท้จริงโดยการเวลาแล้วเราคิดว่าท่านคงจะมีอายุนับเป็นกับคือล้านล้านปีทีเดียวผมของท่านดูจะมีลักษณะเป็นแสงสีทองมากกว่าที่จะเป็นวัตถุสีทองน้ำเสียงของท่านมีกังวานเหมือนเสียงดนตรีและในขณะที่เราได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆท่านแล้วก็รู้สึกว่า ได้รับกระแสแห่งเมตตาจากท่านอย่างชุ่มชื่นหัวใจที่สุดนอกจากนั้นแล้วยังรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีความรอบรู้กว้างขวางและลึกซึ้งอย่างที่หาใครเทียบไม่ได้เลยทีเดียวบุคลิกลักษณะและท่าทางเป็นกันเองของท่านทำให้เรานับถือท่านยิ่งขึ้นในระหว่างการสนทนาท่านพูดกับเราอย่างสนุกสนานราเริง โดยได้ทักทายปลาศัยกับทุกคนเป็นรายตัวซักถามถึงความเป็นอยู่และการงานของเราอย่างเอาใจใส่และในที่สุดท่านก็บอกให้เราทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ได้เชิญให้เรามาหาท่านถึงที่นี่ท่านกล่าวว่าในเมื่อข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมอบายภูมิอันเป็นภูมิขั้นต่ำที่สุดมาแล้วท่านจึงเห็นสมควรที่เราจะได้มาเยี่ยมภูมิสูงสุดนี้ไว้ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบดูบ้างโดยวิธีนี้เราจะได้เห็นด้วยตาตนเองว่าภูมิทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันเพียงไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการให้เราเห็นความจริงว่าผู้อาศัยอยู่ในภูมิสูงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเงาเงาหรือเป็นภาพมายาแต่อย่างใดแต่โดยแท้แล้วก็เป็นบุคคลมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน และมีความรู้สึกที่จะหัวเราะสนุกสนานได้เช่นเดียวกันกับพวกข้าพเจ้าเหมือนกันนอกเหนือสิ่งใดท่านบอกว่าท่านต้องการให้เรารู้ว่าภูมินี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ขาดของผู้หนึ่งผู้ใดแต่ลำพังเลยแท้จริงเป็นวิสัยของทุกๆคนที่มีความเพียรเพียงพอที่จะพัฒนาจิตใจของเขาให้ประเนีตยขึ้นถึงขั้นนี้ได้ เมื่อบุคคลสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอานาจอะไรที่จะห้ามปรามหรือป้องกันไม่ให้เขาเข้าถึงภูมินี้ได้เลยจริงอยู่การทำความเพียรทางจิตดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานานแสนนานแต่เราก็มีเวลานานแสนนานเป็นของเราและมีวิธีการและผู้ช่วยเหลือมากมายที่จะทำให้เราเข้าถึงภูมินี้ได้เสมอ ขอแต่ให้เราตั้งใจจริงเท่านั้นความจริงดังกล่าวนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ง่ายๆเหลือเกินและไม่มีจำกัดอยู่แต่เฉพาะาศาสนาใดๆเลยคือบุคคลผู้นับถือาศาสนาใดๆก็มีสิทธิ์ที่จะกระทาได้ตามกฎธรรมชาติอันง่ายๆและตรงไปตรงมานี้เหมือนกันหมดไม่มีาศาสนาใดสามารถจะกระทาดังกล่าวได้แต่าศาสนาเดียว คือการไว้ให้ศาสนกชนของตนแต่ฝ่ายเดียวขึ้นสวรรค์ได้ส่วนผู้นับถือศาสนาอื่นให้ตกนรกหมดดังนั้นการทำความดีเพื่อความหลุดพ้นของวิญญาณจึงไม่มีศาสนาใดสามารถผูกขาดไว้ให้คนของตนได้แต่ผู้เดียวเลยภูมิอันสูงสุดนี้เป็นของทุกคนที่มีความตั้งใจจริงแม้ว่าผู้นั้นในขณะนี้ จะอยู่ในอัลบยาภูมิอันต่ําที่สุดก็ตามในขณะนี้ท่านชาวคางดีนได้บอกกับท่านหัวหน้าว่าอํานาจคุ้มกันที่ท่านได้ให้เราไว้นั้นจนจะหมดฤทธิ์อยู่แล้วและเราคงจะต้องรีบกลับโดยชักช้าอยู่ไม่ได้ท่านหัวหน้าได้กล่าวว่าท่านก็สังเกตเห็นเช่นนั้นเหมือนกันและท่านก็ได้บอกว่าอํานาจดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีขอบเขตจํากัด ดังนั้นเพื่อความผาสุก ข, ของเราเองเราก็จะอยู่ชักช้าไม่ได้ในครั้งนี้หากมีโอกาสในคราวต่อไปเราอาจจะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้เราต่างพากันลุกขึ้นอำลาท่านหัวหน้าโดยท่านก็ได้ตามมาส่งเราด้วยถึงภายนอกอาคารและในที่สุดก็มาถึงจุดที่เราจะต้องจากกันแน่นอนเหลือเกิน ความอะไรประกรอบกับความทราบซึ่งในความกรุณาของท่านหัวหน้าทำให้เรารู้สึกตื่นตันอย่างบอกไม่ถูกเราคิดว่าเราช่างเป็นผู้มีโชคดีอย่างเหลือเกินที่ได้มาเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยตาของตนเองและได้ทราบความจริงอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวมาแล้วท่านหัวหน้าได้ให้พรขอให้เราทุกคนมีความสุขและขอให้เดินทางกลับด้วยความสุขเช่นเดียวกัน ในชั่วพิบตานั่นเองเราก็รู้สึกตัวว่าได้กลับมาสู่ภูมิค้าตนเองอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้กล่าวมาอย่างยืดยาวพอสมควรแล้วทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านเห็นประจักษ์ความจริงว่าโลกทิพนั้นมีอยู่จริงเพียงใดว่ากรรมของบุคคลที่ทำไว้นั้นย่อมไม่เสื่อมสูญว่าชีวิตในโลกมนุษย์เป็นของน้อยนิดเดียว เมื่อเทียบกับความเป็นอยู่ในโลกทิพย์ทั้งในภูมิสุขติและในภูมิที่เรียกว่าอบายหรือนรกและขอให้ท่านระลึกถึงความจริงอันสำคัญอีกประการหนึ่งว่าคนเรานั้นเมื่อก่อนตายมีสภาวะแห่งจิตใจเป็นอย่างไรแม้เมื่อตายไปแล้วก็หาเปลี่ยนนิสัยประจําตัวไปได้ไหมหากข้อความทั้งปวงที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นเครื่องทําให้ท่านอดทน ต่อสู้อุปสรรคแห่งชีวิตมุ่งมั่นในการประกอบกุศลกรรมโดยไม่ท้อถอยหรือยอมแพ้ต่ออำนาจของสิ่งที่คุกคามหรือยั่วยวนด้วยประการต่างๆได้บ้างข้าพเจ้าก็จะถือว่าได้รับผลแห่งความพยายามคุ้มค่าแล้วอย่างแท้จริงคำบรรยายจากหนังสือเรื่องโลกทิพย์จากการเรียบเรียงในฉบับภาษาอังกฤษชื่อ life in the world unseen โดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียและแปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ศิรีพุทธสุกก็จบลงเพียงเท่านี้